หอพักหลอนที่ศาลายา ส, สัมผัสสยองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเมื่อต้นปี2560ที่ผ่านมา ซึ่งฝายต้องไปซ้อมรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในย่านสาลายาพวกเราไปด้วยกันทั้งหมด8คนผู้หญิง4ี่คนผู้ชาย4ี่คนคนที่จองห้องพักให้พวกเราก็จะเป็นรุ่นพี่ที่จบไปแล้วและเคยมาพักอยู่ที่นี่เขาแนะนำที่นี่ให้เพราะไม่ค่อยไกลจากมหาวิทยาลัยที่พวกเราต้องไปซ้อมรับปริญญากันมากเท่าไหร่อีกทั้งยังมีของกินมากมายซึ่งหาได้ไม่ยาก และสามารถเดินไปถึงได้ไม่ไกลผู้ชายสี่คนในกลุ่มของพวกเราที่ไปด้วยกันเลียนกันคนละคณะแต่พวกเราก็รู้จักกันอยู่แล้วเพราะหนึ่งในสี่คนเป็นแฟนกับเพื่อนของฝ้ายเองห้องพักที่นี่ค่อนข้างกว้างและสะอาดพอสมควรราคาก็ไม่ถูกไม่แพงจนเกินไปพวกเราจองด้วยกันทั้งหมดสี่ห้องจองสองคืนนอนได้ห้องละสองคนหลังจากที่ได้เดินทางมาถึงที่พัก ก็ทําการเช็คอินเพื่อจะเข้าห้องพักเตรียมแบ่งกุญแจกันและขนของขึ้นห้องพวกเราทั้งแปดคนจะอยู่ที่ชั้นสแต่อยู่กันคนละฝั่งพวกผู้ชายเขาก็จะไปอยู่กันอีกฝั่งหนึ่งส่วนผู้หญิงก็เลือกอยู่ห้องที่อยู่ฝั่งเดียวกันและติดกันตอนนั้นฝ่ายตื่นเต้นมากเป็นพิเศษที่ได้มาเที่ยวเพราะฝ่ายไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเลยแต่พวกเรากลับไม่รู้ว่าอีกไม่นานต่อจากนี้ กำลังจะมีสิ่งที่ตื่นเต้นกว่านั้นรอพวกเราอยู่พวกเราทั้งแปดคนย้ายกันเข้าห้องใครห้องมันพวกผู้ชายก็จะขึ้นไปก่อนหลังจากนั้นพวกเราก็จะตามไปก่อนจะขึ้นไปพวกเราก็ทำการแบ่งกุญแจห้องกันเรียบร้อยพอประตูลิฟต์เปิดห้องที่พวกเราได้จะอยู่ตรงหน้าลิฟต์หนึ่งห้องอีกห้องก็จะถัดจากห้องหน้าลิฟต์ไปและจะอยู่ยงเยีงหน้าลิฟต์ ทันทีที่ริบเปิดออกฝ่ายก็รีบพูดเลยว่าให้พวกห้องนั้รีบกุญ จ, จงนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นคิดอะไรอยู่ทำไมถึงพูดแบบนั้นออกา่าทั้งๆ ท, ที่ยังไม่เห็นข้างในแต่รู้สึกชอบห้องนั้นและอยากนอนห้องนั้นเพื่อนก็ไม่มีทีค่าขัดขืนแต่อย่างไดฝ้ายจับคู่นอนกับหน่อยซึ่งก็จะเป็นเพื่อนที่สนิทกันเป็นพิเศษแต่จริงๆแล้วก็สนิทกันหมดทั้ง4คนนั่นแหละ อีกสองคนที่นอนด้วยกันก็จะมีเอกับอ้อพวกเราทั้งสี่คนก็แยกย้ายกันเข้าห้องเตรียมเก็บสัมภาระของตัวเองเอกับอ้อก็เข้าห้องของพวกนางไปส่วนฝ้ายกับหน่อยก็แยกเข้าห้องของตัวเองพอ9เก้าเดินเข้าไปในห้องก็เห็นว่ายุงมันเยอะมากตัวใหญ่บินเต็มห้องเลยซึ่งมันแปลกมากๆหน่อยก็เดินสำรวจห้องไป ส่วนฝ้ายนั่งตบยุงอยู่บนเตียงสักพักหน่อยก็หันมาหาฝ้ายและแตะโกนบอกว่าแม่บ้านลืมปิดหน้าต่างจริงๆด้วยแล้วหน่อยก็เปิดผ้าม่านให้ฝ้ายดูซึ่งหน้าต่างห้องจะเป็นแบบบานเลื่อนแม่บ้านไม่ได้ปิดหน้าต่างจริงๆในใจฝ้ายตอนนั้นก็คิดว่าแม่บ้านจะรีบอะไรขนาดนั้นหน้าต่างก็ไม่ปิดให้แถมผ้าเช็ดเท้าหน้าห้องน้าก็ไม่มีแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก เพราะห้องที่พวกเราอยู่นี้มันสวยมากสวยกว่าห้องอื่นๆฟ่ายเดินไปดูห้องของเอกับอ้อก็ไม่ได้ทาสีสดแบบห้องของฟ่ายห้องของพวกผู้ชายก็เหมือนกันมีแต่ห้องของฟ่ายห้องนี้แหละที่ทาสีอยู่ห้องเดียวสักพักเอกับอ้อก็เข้ามานั่งในห้องฟ่ายพวกเรานั่งจับกลุ่มคุยกันที่ปลายเตียงน่อยพูดขึ้นมาว่ามีอะไรจะบอก แล้วหน่อยก็เดินไปที่หน้าต่างบ้านที่บอกกับฝ้ายว่าป้าแม่บ้านคงจะลืมปิดหน่อยเปิดผ้าม่านอีกรอบแล้วถามทุกคนว่าเห็นอะไรไหมตอนนั้นเอ๋กับอ้อพวกนางเห็นแล้วและกำลังอึ้งอยู่แต่ฝ้ายกลับไม่เห็นเหมือนพวกนางฝ้ายถามว่าเห็นอะไรกันไม่เห็นมีอะไรเลยเพื่อนทุกคนก็หันมามองฝ้ายได้พร้อมเพรียงกันเอถามฝ้ายว่าไม่เห็นจริงๆเหรอ ฝ้ายก็เพ่งมองแต่ก็ยังไม่เห็นจนหน่อยคงลำคาญฝ้ายแล้วจึงบอกให้มองไปที่บนขวามือคุณพระช่วยฝ้ายเห็นเต็มสองตาสิ่งนั้นคือห่วงมะลายหวงมะลายแห้งๆที่ดูเหมือนว่าจุกแวนเอาไว้สองวันแล้วตอนนั้นฝ้ายเริ่มรู้สึกกลัวแต่หน่อยก็บอกว่ามันเห็นตั้งแต่ตอนเปิดม่านครั้งแรกแล้วฝ้ายก็ตะหวาดหน่อยไป ว่าทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกแต่ฝ้ายก็พยายามคิดในแง่ดีนอยพยายามปลอบใจฝ้ายว่าไม่มีอะไรหรอกคงมีคนนามาไหว้ไว้แล้วคงจะลืมอาไปทิ้งหรือคนที่ทำความสะอาดห้องอาจจะไม่เห็นก็เลยไม่ได้เก็บไปทิ้งเอกับอ้อ ก, ก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกก่อนนอนก็สวดมนต์ไหว้พระไม่ต้องคิดอะไรมากฝ้ายก็พยายามทาใจคิดว่าไม่มีอะไรหรอก ทันทีที่บทสนทนาของพวกเราจบลงตู้สำหรับใส่รองเท้ามันก็ดังขึ้นทุกคนเงียบกลิบไม่มีคำพูดใดๆจากพวกเราทั้งสี่คนทุกคนนั่งนิ่งเป็นขอนไม้ฝ้ายก็ตกใจอยู่เหมือนกันอะไรมันจะประจวบเหมาะขนาดนั้นแล้วฝ้ายก็บอกกับเพื่อนให้ไปเปิดดูว่าเป็นเสียงอะไรกันแน่มีหนูหรือเปล่าส่วนตัวเองไม่กล้าที่จะไปเปิดจึงใช้เพื่อนแทนสักพัก เอ e, ซึ่งเป็นคนไม่ค่ยกลัวและนั่งไกลตู้มากที่สุดก็เลยลุกไปเปิดดูแต่มันก็ไม่มีอะไรแล้วอ้อก็บอกว่าพวกเราคิดไปเองไม่มีอะไรหรอกแยกย้ายกันกลับห้องใครห้องมันเถอะเดี๋ยวจะได้ไปหาอะไรกินกันแล้วรีบกลับมานอนเพราะพวกนี้ต้องไปซ้อมรับปริญญาแต่เช้าพวกเราก็รีบไปอาบน้าเสร็จแล้วก็ไปหาอะไรกินกันหลังจะกลับมาที่ห้องอีกครั้ง เอฟแฟนของหน่อยและเพื่อนๆเอฟก็เข้ามาในห้องฝ่ายมาดูพวงมลาลัยที่แขวนไว้แล้วก็หยิบไปทิ้งให้เอฟบอกไม่มีอะไรหรอกถ้ามีอะไรก็ไปเรียกแล้วกันตอนนี้พวกเราต้องทำใจดีสู้เสือส่วนพวกผู้ชายเขาก็กลับห้องกันไปเอกับออก็ขอตัวไปนอนแล้วเหลือเพียงฝ่ายกับหน่อยสองคนที่เตรียมตัวจะนอนเตียงที่พวกเราจะนอนเป็นเตียงเดี่ยว2เตียง แต่ฝ้ายกลัวก็เลยขอให้หน่อยลากเตียงมาติดกันจะได้นอนใกล้ๆกันก่อนนอนพวกเราก็ไม่ลืมที่จะสวดมนต์ไหว้พระจากนั้นก็เปิดทีวีทิ้งเอาไว้แล้วปิดไฟนอนแล้วสิ่งที่พวกเราไม่อยากเจอมันก็มาจนได้ด้วยความที่หน่อยบอกกับฝ้ายว่ากูนอนไม่หลับกูแสบตาทำให้ฝ้ายต้องปิดทีวีและแสงสว่างทุกอย่างลงเพราะกลัวเพื่อนจะนอนไม่หลับ แต่ใจหนึ่งก็กลัวหลังจากที่ปิดไฟและทีวีหมดแล้วสักพักก็มีเสียงดังขึ้นมันเป็นเสียงลากเตียงแต่ที่มาของเสียงไม่ได้มาจากห้องพวกเราฝ้ายสกิดหน่อยแล้วก็เงี่ยหูฟังปรากฏว่าเสียงที่ได้ยินนั้นมันมาจากห้องข้างบนซึ่งอยู่ตรงกับห้องของฝ้ายกับหน่อยเสียงนั้นมันลากไปมาอยู่อย่างนั้นพวกเรากอดกันกลม รู้สึกกลัวจนทนไม่ไหวรีบลุกไปเปิดไฟแต่พอพวกเราเปิดไฟเท่านั้นแหละเสียงนั้นมันก็เงียบไปแต่ด้วยความที่หน่อยคงจะนอนไม่หลับอีกฝ้ายเลยพยายามคิดว่าห้องข้างบนเขาอาจจะขยับเตียงมาชิดแบบห้องฝ้ายก็ได้ขาคิดได้แบบนั้นพวกเราก็ปิดไฟปิดทุกอย่างอีกครั้งแล้วนอนกอดกันแน่นตอนนี้ฝ้ายรู้แล้วว่า หน่อยก็เริ่มกลัวแล้วเหมือนกันหลังจากปิดไฟไปได้สักพักหนึ่งเสียงที่พวกเราได้ยินแบบเดิมมันก็กลับมาดังขึ้นอีกพวกเราพยายามแข็งใจไม่เปิดไฟเวลาผ่านไปมันทำให้ฝ้ายเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วคนอะไรจะลากเตียงขนาดนั้นไม่เสร็จสักทีฝ้ายรีบลุกไปเปิดไฟแล้วโทรหาอีกับอ้อโดยใช้โทรศัพท์ในห้องพักนี่แหละ แล้วเอ๋ ก, กับออกก็รับสายพอมีคนรับสายฝ้ายก็รีบบอกไปเลยว่าไม่ไหวแล้วมารับพวกเราทีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพวกนางก็ถามว่าเป็นอะไรมีอะไรกันพอพวกเราเล่าให้ฟังพวกนางกลับบอกว่าไม่มีอะไรหรอกนอนเถอะเขาอาจจะจัดที่นอนกันจริงๆก็ได้ถ้ามีกรอบค่อยโทรมาใหม่เดี๋ยวไปรับหรือไม่ก็ให้ฝ้ายกับหน่อยเดินมา ตอนนั้นฝ้ายกับหน่อยแม้จะลุกออกจากเตียงก็ยังไม่กล้าเลยยังคงนอนกอดกันกลมพวกเราสองคนตัดสินใจนอนกันอีกครั้งพยายามไม่คิดอะไรมากเพราะอาจจะหลอนพวงมาลัยกันไปเองแต่ถ้าครั้งนี้มันยังมีเสียงแบบนั้นอีกก็แปลได้ว่ามันไม่ใช่คนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่พวกเราจึงตัดสินใจปิดไฟอีกรอบเมื่อไฟทุกอย่างในห้องดับลง ขณะที่สายตาของพวกเรากําลังปรับให้ชินกับความมืดอยู่นั้นเสียงลากเตียงมันก็กลับมาอีกคราวนี้พวกเราไม่รออะไรแล้วฝ้ายกับหน่อยวิ่งออกจากห้องอย่างรวดเร็วและไม่หยิบอะไรออกมาเลยแอก็เปิดทิ้งไว้แล้วเราสองคนก็ไปนอนเบียดกันที่ห้องเอกับอ้อส่วนห้องของฝ้ายนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นแหละหลังจากที่ฝ้ายไปนอนเบียดกัน4ี่คน ก็พอจะทําให้อุ่นใจขึ้นบ้างแต่ก็ยังมีเสียงดังอยู่เป็นช่วงๆซึ่งเสียงนั้นจะเบากว่าตอนที่ฝ้ายนอนอยู่ที่ห้องนั้นสักหน่อยแล้วฝ้ายก็พยายามจะข่มตานอนพรุ่งนี้เช้าจะลงไปถามผู้ดูแลหอพักว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าพอเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเราก็รีบตื่นเพราะต้องไปซ้อมรับปริญญาแต่เช้า หลังจากแต่งตัวและช่วยกันแต่งหน้าทำผมจนเสร็จก็ไปตามพวกผู้ชายเพื่อที่จะเตรียมตัวไปมหาวิทยาลัยกันหน่อยก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้เอฟฟังทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเพราะพวกผู้ชายเขาก็เจอเหมือนกันแต่ไม่ใช่เสียงจะเป็นเงาแวบๆซะมากกว่าพวกเราเลยตัดสินใจว่าเป็นไงเป็นกันวันนี้ต้องรู้ให้ได้ พอพวกเราลงไปข้างล่างเพื่อเตรียมตัวจะไปมหาวิทยาลัยฝ้ายกับหน่อยก็ดันลืมกุญแจไว้ในห้องใครจะกล้าขึ้นไปคนเดียวหลักก็เลยพากันไปทั้งหมด4ี่คนนั่นแหละส่วนเอฟก็ไปส่งเพื่อนๆ เ, เขาที่มหาวิทยาลัยก่อนแล้วค่อยกลับมารับพวกเราแล้วเวลานั้นมันก็โสบโอกาสที่ฝ้ายจะได้ถามปัญหาค้างคาใจเสียธีเพราะคนดูแลหอพักก็ขึ้นไปกับพวกเราด้วยเพื่อเปิดห้องให้ แกเป็นผู้ชายรูปร่างถ้วมมีหนวดเครานิดหน่อยพูดจาดีแต่จะเป็นคนไม่เคยพูดระวังที่อยู่ในลิฟหน่อยก็สกิดฝ้ายให้ถามเพราะไม่มีใครกล้าถามฝ้ายเลยถามออกไปแบบกล้าๆ ก, กลัวๆ ว, ว่าที่นี่มีอะไรหรือเปล่าพี่เขาไม่หันมามองหน้าพวกเราทั้งสี่คนเลยแล้วเขาก็ตอบด้วยน้ำเสียงที่นิ่งเฉยว่าทาไมครับ ตอนนั้นฝ้ายก็โมโหนิดๆเพราะดูเหมือนเขาจะไม่ให้ความสนใจท่าทีของแกเหมือนกับว่าไม่เห็นฝ้ายอยู่ในลิฟต์เลยด้วยซ้ำ ท, ทั้งทั้งที่ตอนมาเช็คอินก็พูดจากับพวกเราดีมากฝ้ายเลยตอบไปว่าห้องข้างบนเมื่อคืนเขาเสียงดังกันมากเลยหนูนอนไม่หลับกันเลยตอนนั้นฝ้ายคิดอยากให้เขาขึ้นไปดูให้ถ้าไม่ใช่สิ่งที่มองไม่เห็นจริงๆเป็นคนแกก็น่าจะช่วยเตือนห้องข้างบนได้บ้าง เพราะฝ้ายยังต้องอยู่ที่นี่กันอีกหนึ่งคืนแต่หลังยกฝ้ายพูดจบก็ไม่มีคำตอบหรือบทสนทนาใดๆจากพี่คนนั้นอีกแกไขห้องให้เสร็จแล้วก็ลงลิฟต์ไปเลยพวกเราหันมามองหน้ากันแบบงงๆหลังจากนั้นพวกเราก็ไปซ้อมรับปริญญากันจนเสร็จเรียบร้อยกลับเข้ามาหอพักในช่วงเย็นคืนนี้เป็นอีกหนึ่งคืนที่ฝ้าต้องอยู่ที่นี่ทุกคนรู้สึกกลัว เพราะขนาดเป็นเสียงยังหลอนขนาดนี้แล้วถ้ามาเป็นรูปเป็นร่างจะขนาดไหนแค่คิดมันก็สยองแล้วฝ้ายเลยบอกกับเพื่อนเพื่อนทุกคนว่าเดี๋ยวหาอะไรกินกันเสร็จเรียบร้อยจะขึ้นไปข้างบนกันไปถามห้องข้างบนเลยว่าเมื่อคืนได้ย้ายเตียงหรือทําอะไรหรือเปล่าทุกคนก็เห็นด้วยหลังจากหาอะไรกินกันเรียบร้อยแล้วฝ้ายกับหน่อยและเอฟแฟนของหน่อยจะอาสาขึ้นไปถามเอง ส่วนคนอื่นๆก็ให้รอที่ห้องข้างล่างในระหว่างที่ขึ้นไปชั้นบนมันก็รู้สึกเสียวสันหลังวา่าเพราะถึงหน้าห้องนั้นเอฟก็ไม่รอช้าเคาะประตูทันทีฝ้ายกับหน่อยก็ยืนลุ้นอยู่ข้างๆสักพักก็มีผู้หญิงรุ่นราวคราวเดียวกับฝ้ายเปิดประตูออกมาทำหน้างงๆฝ้ายจึงถามไปว่าขอโทษนะคะเมื่อคืนตัวเองได้ย้ายเตียงหรือเปล่า ก็ ห, หญิงคนนั้นตอบว่าทำไมล่ะคะฝ่ายบอกพอดีเสียงดังมากเลยฝ่ายนอนไม่ค่อยหลับค่ะแล้วคำตอบที่ฝ้ายได้ยินนั้นก็ทำเอาฝ้ายขนลุกไปทั้งตัวซึ่งหน่อยเลยเอฟก็คงรู้สึกไม่ต่างกันเมื่อเธอคนนั้นตอบกลับมาว่าเราเองเพิ่งเช็คอินเมื่อเช้านี้เองห้องนี้ไม่มีใครอยู่นะแล้วพวกเราก็ขอบคุณเขาจากนั้นก็พากันลงไปข้างล่างอย่างรวดเร็วคืนนี้ ฝ้ายกับหน่อยก็ยังคงนอนที่ห้องเดิมเพราะเหนื่อยกับการซ้อมรับป ร, ริญญากันมาทั้งวันแล้วก็ไม่อยากไปรบกวนเอ๋กับอ้อยด้วยเพราะเวลานอนเบียดกันแล้วมันอึดอัดมากแล้วหน่อยก็พูดว่าจะหลอกก็หลอกไปเลยไม่ไหวแล้วง่วงเหนื่อยส่วนฝ้ายก็แอบขำและก็คิดแบบเดียวกันไม่ไหวจริงๆนะวันนี้เหนื่อยมากจากนั้นพวกเราก็พลอยหลับไปแต่เสียงนั้น มันก็คงได้ยินอยู่แต่มันเบามากเบาจนเกือบไม่ได้ยินแล้วเราทั้งสองก็หลับจนถึงเช้ามันเป็นเช้าที่สดใสกว่าวันก่อนเพราะพวกเราได้นอนกันเต็มยิมหรือได้ความที่เหนื่อยกันมามากก็ไม่รู้ทุกวันนี้มันก็ยังคงเป็นปริศนาคาใจกับพวกเราว่าเสียงนั้นคืออะไรทั้งๆที่หอพักอยู่ใจกลางเมืองแวดล้อมด้วยผู้คนและแสงไฟ ภายนอกมันดูไม่เห็นจะน่ากลัวเลยห อ, อก็ดูใหม่มากสะอาดและบรรยากาศดีแต่ใครล่ะจะคิดว่ามันมีอะไรอยู่ที่นี่ สมัดสยอง